บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติครรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัตินั้นคือการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วเพียนพยายามลดละ บาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วแลพยายามป้องกันบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็เพียรพยายามเพิ่มพูนกุศลคือความดีให้เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนรักษากุศลคือความดีที่มีอยู่แล้วไม่เสื่อมไปในแนวของแนวของคำว่าภาวนานั้น เป็นการเน้นเฉพาะส่วนของการเพิ่มพูนความดีพระเมื่อปริมาณของความดีเพิ่มพูนมากขึ้นขึ้นความชั่วที่เกิดแล้วก็จะถูกขจัดออกไปความย่อที่ยังไม่เกิดก็จะถูกป้องกันไว้และความดีที่เกิดแล้วก็จะรักษาไว้ในขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มพูนขึ้นไปโดย ด, ำดำําดับ จนถึงจุดหนึ่งตัวความดีนั้นก็สมบูรณ์ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของการศึกษาและการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาธรรมะที่นำมาเป็นหลักในการศึกษาเรียนรู้นั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาเพราะธรรมะจริงๆก็คือกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติธรรมดา ที่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมมัติตตาคือตั้งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของมันเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเขาเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยตั้งอยู่เขาก็ตั้งอยู่มีเหุปัจจัยให้ดับไปเขาก็ดับไปเพราะสิ่งที่นำมาศึกษาจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวเองอย่างการเจริญมรณะสติ พิจารณาถึงความตายที่จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวเองบางครั้งบางคราวก็อาศัยความตายที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นสะดด่นเป็นแบบสว บ, บเป็นครูแล้วก็น้อมนึกเข้ามาหาตัวเราก็มองเห็นว่าแม้ตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่รุ่งพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เราก็จริงเราแ ก, แก้ไขตัวความตายไม่ให้ตายไม่ได้ เพราะเรเกิดมาแล้วเพียงแต่ว่าปริมาณสติสัมปชัญญะความเพียรพยายามที่เพิ่มพูนขึ้นนั้นจะช่วยบุคคลดำรงชีวิตยอยู่ในแต่ละขนาดด้วยความรู้ความตื่นความเบิกบานแต่กรู้เท่าทันทั้งหลายตามความเป็นจริงการเกี่ยวข้องอารมณ์ก็คงเกี่ยวข้อง คงเห็นรูปความเสียงดมกลิ่นดิมรสถรรูกต้องอย่นานอนนอนแข็งเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นการเกี่ยวข้องอย่างรู้เท่าทันและบางครั้งบางคราวจะประสบความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นก็มองเห็นว่าความทุกข์นั้นก็เป็นเวทนาเมื่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปอาจจะทุกข์เพิ่มขึ้นอาจจะทุกข์ลดลงหรือจะหายจากความทุกข์กลายเป็นความสุขลักษณะของเวทนาเขาก็เป็นใหญ่ใหญ่ได้สามาอย่างคือเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าไม่ถึงก็ทุกข์ไม่ถึงก็สุขไม่มีเวทน า, าตัวใดที่เป็นของทิงแท้แน่นอนจิตใจก็จะปล่อยวางไม่ไปยึดมั่นหรือมั่นในตัวเวทนาเหล่านั้นมากเกินไป หาประโยชน์จากเวทนาโดยความเป็นครูแล้วก็มองเชื่อมโยงเข้าไปสู่สิ่งทั้งหลายที่ตนเกี่ยวข้องตัวแม้แต่กลุ่มของเวทนาเองเราอาจจะใช้เวทนาต่างๆที่เราเคยประสบประดีตหรือที่คนอื่นประสบประณีตแล้วเรามีประสบการณ์รับรู้ในเรื่องนั้นก็จะเห็นว่ามันก็เป็นอย่างที่มันเป็น เวทนาที่เกิดขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เป็นอย่างที่เคยเกิดมาแล้วแ น, น่แติดแแม้จะเกิดในอนาคตก็เป็นเช่นเดียวกันการที่ใจจะเข้าไปบวกมีความผูกพันเพระเวทนาของเราเราเป็นเวทนาหรือเวทนามีในเราอย่างน้อยก็จะกลางจางไปคลายไปบรรเทาไปใจก็จะสามารถสงบ จากเปร น, นาซึ่งกำลังคุกคามอยู่หรือแม้แต่กำลังให้ความสุขอยู่เพราะมองเห็นว่าสุขมันก็เปลี่ยนแปลงทุกมันก็เปลี่ยนแปลงแม้แต่ไม่ทุกไม่สุขมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นการปุกร่างให้คนอยู่ด้วยความไม่ประมาทพยายามตกสวยการโอกาสที่มาถึงเข้าใช้ความเพียรพยายามเสริมสร้างทางแห่งความดี มองร่างกายสักว่าเป็นที่อาศัยในลักษณะวิญญาณภาณนะที่เราจะต้องอิงอาศัยเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางในนอนยานภาชนะที่ดีที่คุณภาพมีประสิทธิภาพก็ช่วยไปถึงจุดหมายปลายทางได้ดีอยู่ประาศอันตรายน้อย แต่ก็จิงยานภานะมันก็คือยานผานะที่จะต้องทอดทิ้งไปเพียงจะต้องอาศัยตลอดระยะเวลาที่เรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางโดยความรู้ความเข้าใจในลักษณะ น, นี้ทำให้เราสามารถที่จะหาประโยชน์จากข่าวคราวต่ า, วางๆ ท, ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะได้จะในวันนี้ท่านสายชนทั้งหลายคงได้ยินข่าว สมเด็จราชาคณะผู้ใหญ่ได้มรณภาพไปสองรูปตอนหัวขว่ํมรูปหนึ่งตอนหัวรุ่งรูปหนึ่งทั้งสองท่านนั้นมีอายุมากคือ90้าสิบกว่าด้วยกันทั้งนั้นถือว่าเป็นพระเทราผู้ใหญ่ที่เป็นหลักของประสาสนามมาเป็นเวลานาน ในเรื่องของสัตว์และเรื่องของสังขารก็ต้องเป็นเขาอย่างนั้นอาจารีพระเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาถึงสังขารร่างกายว่าเราจะต้องตายแน่แท้แม้จะอยู่ถึงชราก็ต้องตายแต่ก็ตายก็ตายเพราะชราเป็นภาพของชีพที่มีลักษณะเหมือนกับเปลวเชียน ที่ถูกจุดขึ้นแล้วผ่านการเวลามานานบางครั้งว่าคราวมีลมพัดมีการกระทำอะไรต่างๆมันก็โยนจะดับไปดับแหลมเร่เรๆแต่ก็สามารถที่จะคงสถานะเอาไว้ได้แต่เปรียนยังไงก็ต้องดับเพราะเปรีย น, นเองก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยปัจจัยในตัวหลัก คือส้เทียนกับไขเทียนและอากาศได้เป็นภายนอกก็ามาผสมผสานช่วยหนกันอากาศภายนอกจะดีพิเศษยางไงก็ตามพอถึงจุดหนึ่งเมื่อไสา้หมดไขหมดเปลือกเทียนเหล่านั้นก็ต้องดับลงแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัย เราก็เห็นว่าเส้นทางในชีวิตที่เดินมาตลอดการยาวนานจะขนาดไหนก็ต่างแต่ชีวิตมนุษย์เป็นเรื่องสั้นนิดเดียวถ้าไปเทียบกับชีวิตของเทพของพรหมทั้งหลายซึ่งมายุยืนนานหรือแม้แต่สัตว์ประหลาดบางชนิดเราก็ทราบว่ามายุยืนกว่ามนุษย์เป็นอันมาก ก็ทำให้เรามองเห็นว่าคำอายุยืนที่เราคิดว่ายืนที่จริงก็ไม่ยืนเพียงแต่ว่าเมื่อเทียบเคียงกันในหมู่มนุษย์มันก็แตกดับชาลงเท่านั้นเองแต่ถึงอย่างไรก็ต้องแตกดับปัญหาที่บุคคลจะต้องหาคําตอบไปแก่ชีวิตจึงไม่อยู่ที่จะดับเมื่อไรเพราะเราไม่รู้เหมือนกันมันจะดับเมื่อไร่แต่ว่าชีวิตนั้นจะต้องดับแน่ ปัญหาที่พระเจ้าทรงสอนเน้นย้ำเป็นพิเศษก็คือว่าเรายอมรับความจริงว่าชีวิตจะต้องตายเป็นธรรมดาก็าไม่ต้องไปกลัวอะไรมันเพราะกลัวมันก็คือตายเหมือนกันไม่กลัวก็คือตายเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้ากลัวอย่างมีเหตุมีผล ก็มีการระมัดระวังสุ ข, สขรักษาสุขภาพพลานามัยอากาศอารมณ์อาหารไม่ให้มีปัญหาในการบั่นทอนสุขภาพพลานามัยตัวเองมากเกิดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ชีวิตที่อยากไม่ตายจะถูกใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลคือ่การดำรงชีวิตในขณะนั้ น, น, น การเสริมสร้างสมบัติสระดับที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติก็คือการเสริมสร้างให้เกิดการอยู่ดีมีสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเน้นไปที่ตัวสุขภาพจิตเป็นประการสําคัญแต่ลาสุขภาพต้องสองอย่างดีแล้วก็วิเศษ คนนายพุทธศาสนาเองพระเจ้าก็ส่งยกจองตรงนี้ว่าอโรคกายปรมาลาพาความไม่มีโรคเป็นลาศอย่างจริงแต่การที่คนเราจะไม่มีโรคเลยนั้นเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าโรคไม่รุนแรงเท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วร่างกายมันเป็นโรคคดิษฐ์ทางคือเป็นรังของโรคแล้วจะต้องประพังคุณงังคือเปื่อยเน้าแตกทํำลายไปในที่สุด วันบทเรียนเหล่านี้จึงเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้บุคคลหาคำตอบก่อนตายว่าจะตายดีหรือตายไม่ดีมันอยู่ที่การดำารงชีวิตยังไงพระยาทรงยกย่องคนไว้ทั้งสองประเภททรงแสดงสถานภาพมงคนไว้ทั้งสองประเภท ส่วประอบทุกคนที่จะทำบาปทำอกุศลด้วยประการาต่างๆในขณะที่มีชีวิตอยู่ตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนสร้างปัญหาสารพัดให้เกิดขึ้นตั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมกตลอดถึงแก่ประเทศชาติแล้วตัวเองตายไปไปเจอปัญหาในโลกหน้าญาติพี่น้องที่อยู่ข้างหลังก็ประสบปัญหา มีความเดือดร้อนสู่หน้าสังคมไม่ได้ถูกประนามยัมหมินเพราะการกระทำของญาติพี่น้องตัวเองที่ตายไปแล้วคนล่นี้จึงทรงแสดงว่าเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายอย่างที่รับสั่งแสดงไว้ในประาปรธาราบทว่าทุคคลที่ทำบาปประกา ร, รมาไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้แล้วโลกนี้ไปแล้วจะเดือดร้อน เขอย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นว่าตนได้ทําบาปไปแล้วถ้าบาปนั้นรุนแรงมันก็กลายเป็นการที่ท่านเรียกว่าปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนิพพานสังมลิบาลีพระเจ้าทรงใช้กับ ม, มัคคาวรสักคาวร์แปลว่าห้ามห้ามไม่ให้บังเกิดในสวรรค์ห้ามให้บรรลุผลนิพพาน เพราะการปฏิพัติการกระทำลักษณะนั้นเป็นการทําลายสมบัติที่เป็นระดับสวรรค์สมบัติและคณิพานสมบัติเมื่อไม่มีสมบัติความสมบูรณ์ระดับต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าเมื่อไม่มีสมบัติแล้วก็ไปไหนก็ไปวิบัติเพราะไม่มีบุญกุศลเมื่อจิตใจวิบัติจาก บุญกุศลต่างๆใจมัก็กลายเป็นบาปเป็นกุศลอำานวยผลเป็นความทุกข์ในขณะนั้นๆหลังจะตายไปแล้วก็ประสบความเดือดร้อนด้วยการบังเกิดในนรกซึ่งเราจะเห็นว่าเอาก็จริงคนเหล่านี้ก็ตายเหมือนกันเพียงแต่ว่าเดือดร้อนตั้งแต่ก่อนตาย แล้วไม่ใช่นาความเดือดร้อนมาเฉพาะตนเองแต่คนอื่นก็พอเดือดร้อนด้วยตายไปแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็ชิงความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นด้วยซึ่งบางครั้งถ้ารุนแรงรุนแรงมากทรงใช้คําว่าเป็นวัฏจานุคือการเป็นหลักต่อของวัตจที่ไม่มีโอกาสปฏิบัติพัฒนาจิตใจใ ห, ให้มีความสงบประนีตขึ้นไปได้เลย รแรงทวงของบาปข อ, ของโกศลที่ปิดกั้งมา ก, มากในขณะเดียวกันคนที่มองเห็ น, นชีวิตกับความตายเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้มันก็ไม่ได้คิดจะแก้ไขอะไรเรื่องตายไม่ตายก็แก้มันก็ต้องตายบ้างกันแต่พยายามใช้โอกาสที่ เรื่องแรงความเพียรพยายามสติสัมปชัญญะ ย, า, ยางดีจูเขาพยายามเสริมสร้างความดีได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยังทรงอุปมาให้เห็นว่ามันเหมือนกับคนที่มีคนก็บอกขุมทรัพย์ให้แล้วก็หมดเวลาว่าจะสามารถเข้าไปเก็บทรัพย์สมบัติได้ในเวลาเท่านั้นเท่านั้น เราต้องออกมาในเวลาเท่านั้นหรือเขาจะไม่ลังเลรีรอจะต้องรีบเร่งทุกสิ่งทุกอย่างรีบกลัวเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรือเหมือนอยู่เรือนทีน่ถูกไฟไหม้ยังเคยยกตัวอย่างไว้สักหน่อยเป็นการมองชีวิตกับความตายใกล้กันนิดเดียว จึงไม่สนใจว่าความตายจะมาถึงเมื่อไร่แต่สนใจในขณะนั้นนั้นเราจะทำอะไรจะทำอย่างไรทำไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรและประโยชน์นั้นจะต้องมีลักษณะเป็นสมบัติเพราะถ้าไม่เป็นสมบัติมันก็ไม่เป็นประโยชน์แต่สมบัติควรจะมีความว ย, ออยืดเยื้อยาบนาน อำนวยผลเป็นความสุขความสงบในปัจจุบันด้วยในการพายภาคหน้าด้วยและในการต่ อ, ตอไปจนเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคนิพพานด้วยเพราะนั่นก็เป็นบัตรเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงเน้นไว้เรื่องเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาบางทีก็พูดแค่ศีลสมาธิปัญญาหรือบางทีพูดแค่ทานศีลภาวนาซึ่งท่านสาชนทั้งหลายจะเห็นว่า การประพฤติการปฏิบัติในลักษณะนั้นไม่ใช่ป้องกันไม่ให้คนตายเพียงแต่ว่าจะตายดีเพราะเป็นการอยู่ดีอยู่ยังมีศีล ย, ยังมีธรรมเป็นหลักยึดเหนจิตใจตายไม่ได้นั้นเหล่านั้นก็ตายดีเพราะท่านไปดีเป็นการดำเนินชีวิตในลักษณะที่เรียกว่าสุกโต คือไปดีตามรอยปาดของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำห้เรามองเห็นคติของชีวิตของคนทั้งหลายในโลกที่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มหนึ่งโดยการประพฤติปฏิบัติความชั่วที่เรียกว่าทุกขโตคือไปชั่วไปยากไปลำบากไปเดือดร้อนสถานที่ไปก็คือทุกขติ เป็นความทุกข์ที่คนเหล่านั้นต้องประสบในในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปความยิ่งใหญ่ของความทุกข์ที่เขาประสบก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของกรรมที่เขาได้ประพฤติกระามเอาไว้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งโดยการประพฤติปฏิบัติความดีที่รงเรียกว่าสุขโตแปลว่าไปดีไปงามไปง่ายไปสบายสถานที่ไปคือสุขติเป็นสถานที่ดี อารมณความสุขบางระดับจะเป็นความสุขที่เป็นทิพย์ใรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์ช่วยบุคคลนั้นสวยสุขด้วยความยั่งยืนแห่งพรทั้งสี่ประการโดื่ยุวนะสุขกำลังตลอดถึงยศปริวาณต่างมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น ตอะนี้ก็ทรงสรุปแสดงไว้โดยนัยะสรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้วคือว่าบุคคลที่ทาบุญเอาไว้จะเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วจะเพลิดเพลินและเขาเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นผู้มองเห็นว่าตนได้ทําบุญออกไปแล้วเรื่องชีวิตจึงเป็นเรื่องของกระแสที่เลือดไหล โอกาสที่จะแตกดับในแต่ละขณะนั้นไม่มีใครจะกำหนดจะประมาณได้ที่ท่านเรียกว่าอนิมิตตมนัญญาตังคือไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอะไรในขณะที่เดินทางมาพร ก, กพระเขาเล่าให้ข่าวข่าวให้ฟังว่าเมื่อคืนดูข่าวมีรถชนกันขณะที่รถมูลนิธิกำลังช่วยคน ที่เกิดอุบัติเหตุอยู่มีรถคันหนึ่งกุ้งก็มาชนรถมูลิธิคนก็ตายทับลงไปแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งกุ้งก็มาชนต่อไปอีกคนที่มาก็ลงช่วยกำบางช่วยอยู่ยังไม่ทันได้เรื่องในราวไหลโกงโกงเงนเงยอยู่ก็โดนชนอีกายลุกท่วมเป็นแถวชนซ้อนกันสีห้าคัน ข่าวขาวนี้ในต่างประเทศก็มีในบ้านเราก็มีก็าําให้เห็นภาพวพชีวิตอีกลักษณะหนึ่งที่ชัดเจนว่าเราไม่รู้ว่าความตายในยจะปรากฏเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรตายโดยวิธีใดไม่มีใครตอบได้ตอบได้แต่เพียงว่าตายแน่ทนันทีที่ท่านอุปมาว่า ชีวิเหมือนกับเปลวเทียนอย่างกล่าวไว้ในตอนตน้นพระมหาเถร่าพูดเท่าทั้งสองรูปเปิดเหมือนเปรียบเหมือนเปลวเทียนที่ไส้ไข่มีความสมบูรณ์ผ่านกาลเวลาบรรนานแต่ถึงจุดหนึ่งมันหมดทั้งไส้ทั้งไข่เทียนั้นก็ต้องดับไปเป็นการดับไปยังค่อยๆดับไปโดยดั บ, ดบ เราก็มองภาพของทูปของเชียนว่าจริงๆมันไม่ได้มีรูปเดียวแต่ว่ามีทั้งสี่รูปรูปลักษณะหนึ่ ง, ท, งทั้งไส้ทั้งข่นั้นยังมีความสมบูรณ์อยู่แต่เกิดปัญหาจากการกระทําประมาทภาพค ร, รั้งตัวเองบ้างจากความประมาทของบุคคลอื่นบ้างหรือการประสมะสานกันบ้างเข้าไปเกี่ยวขกับเหตุการณ์ที่เป็นภัยเป็นอันตรายบ้าง ภาพของบัติเหตุต่างๆภาพของการฆ่ากันตายภาพของการประทุษร้ายตัวเองในลักษณะต่างๆถึงเมื่อจดลึกในรายละเอียดบางทีคนเหล่านั้นไม่สิ้นบุญไม่สิ้นอายุไม่สิ้นอะไรแต่เพราะว่าจิตใจของเขาประมาทบ้างไปเกี่ยวไปสร้างเหตุให้เกิด ปัญหาขึ้นมาบ้างไปอยู่ร่วมกับคนประมาทบ้างแล้วในสุดชีวิตก็ต้องแตกดับไปการตายลักษณะต่างๆจะปรากฏขึ้นทั้งๆที่ไส้ก็ยังมีไข่ก็ยังมีแต่ว่าจริงแล้วเปลืเทียนเหล่านั้นก็ดับได้เปลืเทียนบางดวงนั้นไข่ยังอยู่แต่ว่าไส้มันหมดมันก็ดับได้เหมือนกันเปลืเทียนบาง บางอย่างไา ย, ยัางอยู่แต่ขายหมดมันก็ดับได้เช่นเดียวกันลักษณะของชีวิตก็เป็นเช่นนั้นเพราะแนวของอนุสติทั้งหลายเป็นการใช้สติตามระลึกย้อนระลึกมองระลึกถึงสิ่งต่างๆคราวๆต่างๆเรื่องราวต่างๆ ท, ที่เราเ็้าไปเกี่ยวข้องจะเป็นอะไรก็ตามไม่ได้จอะจงมันจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ ัสำคัญว่าเรามีความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งเหล่า น, นั้นอย่างไรคิดจะได้ประโยชน์ก็ได้คิดจะไม่ได้ประโยชน์ก็ได้ด ห, ไดรไดหรืองทีคิดจ้เพิ่มบาปขึ้นมาก็ได้คิดได้เพิ่มบุญเพิ่มกุศลเพิ่มสมาธิเพิ่มความสงบขึ้นมาก็ได้างตกรณีของความตายถ้าเรามองในแง่ของสภาวธรรม ที่เป็นปกติธรรมดาคือเกิดแก่ตายก็จะเกิดเป็นธรรมสังเวชสลดจิตคิดถึงความจริงของชีวิตที่ปรากฏแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจิตใจจะไม่ฟูไม่แฟบไปตามความตายหรือแม้แต่ตามความเกิดของกฎทั้งหลายแต่ก็มองเป็นเรื่องปกติธรรมดา ในขนาดเดียวกันตัวเองก็ได้ปัญญาได้ภูมิธรรมได้ภูมิจิตที่มีความสงบมีปัญญารู้เท่าทันเรความจริงมากเพิ่งขึ้นเมื่อประสบความตายจะไม่นึกถึงตัวคนตายแต่จะมองในแง่ของสภาวธรรมมันเกิดขึน้นตั้งอยู่มันก็ดับไปมันก็เป็นเข้ามัน่างกันเอง ถาว่ามองในแง่ของคนได้หรือเปล่ามันก็ได้แต่ว่าใจต้องรู้ความจริงของคนเหล่านั้นเพราะถ้ใจไม่อยู่ไม่รู้ถึงความจริงที่แท้จริงยังใส่ความรู้สึกรักผูกพันยังรู้ใส่ความชอบความชังเป็นการส่วนตัวจวกุกบางคนก็จะเห็นว่าใจบางผูกบางแพร่ไปตามความตายที่เกิดขึ้นแกคน่คนคนนั้นๆ บาคนที่เราชอบเรารักเราปุูกผ่านเกิดตายไปเกิดฟันเสียร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียออสใจไปริเวยธนาการการท่ความไปโดยระการแตกต่างบางทีเป็นทุกข์เดือดร้อนหมดไหม้ผ่านการเวลาไปนานๆก็ยังไม่หายนั้นแสดงเห็นว่าความตายนอกจาก่ะ เ, เพิ่มกิเลสและเพิ่มทุกข์ด้วย การบัรฑ์ทรสุขภาพกายด้วยสุขภาพจิตด้วยถต่เมื่อแก้ปัญหาอะไรได้ไหมมันก็แก้อะไรไม่ได้นาะจะเพิ่มปัญหาขึ้นมาแต่พอความตายเกิดขึ้นแก่คนที่เราสังเราไม่ชอบเกิดชื่นชมยินดีสนุกสนานบางทีอาจจะถึงเผลอพูดออกไปว่าตายจะได้ก็ดีแผ่นดินจะได้สูงขึ้นมันน่าจะตายนานแล้วอะไรต่รตางๆต่างกัน คำแต่ละคำนั้นแสดงถึงความอาคาตมาร้ายความเบียดเบียนจิตใจก็ไม่สงบก็แสดงว่าอาศัยความตายเพิ่มบาปอาศัยความตายเพิ่มทุกข์อาศัยความตายเพิ่มบาปแต่พอเกิดจากปัญญารู้เท่ า, าทันทำความเป็นจริงคือมองแค่ความตายวนใครตายไม่สำคัญก็คือตา ย, ตา ย, ต, ายตายก็คือตายทต่นั้นเอง มันจะเกิดเป็นภูมิธรรมภูมิจิตขึ้นมาภายในจิตก็ต้นเตือนให้ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทคนอ่อนกว่าเราก็ตายคนแก่กว่าเราก็ตายคนรุ่นราคืารก็าเราก็ตายซึ่งหมายความว่าเราก็ต้องตายมองความตายเป็นลักษณะคล้ายๆกับไฟไหม้อย่างที่ว่าไว้ก็รีบเป็่ง ตัตวงแสวงหาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเต็มตามกำลังความสามารถพถึงจดุดหนึ่งมันจะน้อยที่สุดอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่กลัวต่อประโลคืคอไม่กลัวตายเป็นการมองชีวิตหลังตายด้วยความปันใจเราตายไปวันใดก็คือการย้ายจากกระตออเล็กๆไปอยู่ที่ปราสาท ก็เป็นความสะดวกความสบายความสุขที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะตั้งปัญหาถามว่าถ้ามันจะอย่างนั้นทําไมไม่รีบผาตัวตายท่านนี้เพราะว่าจิตใจท่านมีความประดิ์การฆ่าตัวนั้นเป็นบาปทั้งความคิดในแนวนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วถ้าหากว่าขืนทําไปจริงๆก็คือใจมันเศร้าหมองก่อนตาย แตนที่จะย้ายจากกระต้อไปอยู่ปร า, าสาท้องอาจจะอยู่ในคุกไปเลยนั่นคือการตกนรกเพราะว่าจิตใจขุดมัวเศร้าหมองกอดดับนั้นแนวธรรมะปฏิบัติจึงทรงสอนในรูปของความรู้ความตื่นแตนงานอยู่ยังมีสติสมัมปชัญญะที่ควบคุมความคิดกิจกรรมพฤติกรรมต่างๆให้อยู่ในคันลองแห่งธรรม เพียรพยายามที่จะลดละส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศลเพิ่มพูนส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลแม้ยอมรับว่าความตายมีอยู่แต่ไม่เร่งความตายประเัติวความตายเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยดังกล่าวคิดได้มองปัญหาต่างๆได้เช่นนี้ย่อมได้รับประโยชน์จากธรรมชาติของชีวิต ไม่ว่าความตายจะเกิดขึ้นแก่ใครที่ไหนโดยวิธีอะไรก็าตามต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป